คำว่าผู้ไม่สะดุ้งนะพระอรหันเนี่ยเป็นผู้ไม่สะดุ้งก็ต้องมาดูก่อนว่าสะดุ้งมันเป็นยังไงเนี่ยนะก่อนที่จะรู้จักคําว่าไม่สะดุ้งก็ต้องรู้จักความสะดุ้งซะก่อนว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สะดุ้งหวาดเสียวสยดสยองะสยองนะสยองคิดว่ขนพองสยองกล้าวว่ากันนะสมนวนไทยภิกษุนั้นย่อมสะดุ้งหวาดเสียวสยดสยองกลัวถึงความสะดุ้งว่าเราไม่ได้สกุล เอ๊ะทำไมเราไม่มีตระกูลอุปถักเหมือนเขาเลยนะคนโน้นเขาก็มีคนนั้นมาอุปถักมีคนนี้มาอุปถักทําำไมเราไม่มีใครอุปถักตสักคนเลยที่เว่าไม่มีตระกูลมาเงี้ยเราไม่มีศรัทธานะเราไม่มีศรัทธามาคอยดูแลเลยแบบนั้นคนอื่นนะมีครวาสคอยมาดูแลแต่เราทําไมไม่มีเลยอ่ะนะไม่ได้หมู่คณะคนอื่นเขามีเพื่อนมีฝูงกันหมดทําไมเราไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่ได้อาวาสของคนอื่นเขามีวัดอยู่กันหมดเราไม่มีวัดไม่มีกุฏิเป็นส่วนตัวเลยอย่างเงี้ย หรือว่าสะดุงเพราะไม่ได้ลาบานะทําไมบินธบัตวันนี้ไม่ได้เลยหรือไม่ได้ยศทําไมเราไม่มีบริวารเลยเหมือนคนอาณาถากําพร้าไปแต่คนเดียวอย่างไงนะหรือทําคนอื่นเขาได้รับการยกย่องแต่เราทําไมไม่มีใครมาชมเราบ้างเลยหรือทําไมเราไม่ได้ความสุขนะ หรือไม่ได้จีวอนไม่ได้บินธบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้คีลานเพสัตบริหารคือคนอื่นเขามีน้ำพึ่งกันทั้งนั้นทำไมเราไม่มีน้ําพึ่งกับเขาเลยอย่างเงี้ยนะคนอื่นเขามียาบํารุงกันทั้งนั้นเราไม่เห็นมียาสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็สะดุ้งคําว่าสะดุ้งนี่ก็คือมันเสียใจนะนะหรือเราเนี่ยไม่ได้พยาบาลไม่ได้บุคคลผู้พยาบาลในคราวเป็นไข้นะคนอื่นนะเขาป่วยมีคนมาดูแลไปหมดเลยทําไมให้เราป่วยแล้วไม่มีใครมาสนอกสนใจเราบ้างเลยนะมีใครมาเหลียวแลบ้างเลย เราเนี่ยจะไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏนะนะคนอื่นเขาดังกันหมดแล้วใครก็รู้จักเขาทั้งนั้นทำไมเราไม่รู้จักอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยมีนะพระเทวทัตเนี่ยประบวตมาพรรษาแรกเนี่ยนะโยมเข้ามาถามหาอ้าวพระอานุนไปไหนพระคุณเจ้าอานุนเราไปไหนพระคุณเจ้าอนุนรุธทธะเราไปไหนพระคุณเจ้ า, าพัทธิยาของเราไปไหนในไม่มีใครถามหาพระเทวทัตแม้แต่คนเดียวพระเทวทัตแกน้อยใจมากานะ บวช ด, ด้วยกันบวชพร้อมกันทำไมไม่มีใครมาสนใจเราว่างเลยนะเอะจะให้ใครมาอุปถากเราดีก็เลยพระเจ้าอาชาตศัตรูนี่แหละเอาราชอาชาติศัตรูราชกุ ม, มานนี่แหละมันยังเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไรเนี่ยนะให้คนนี่แหละเลื่อมสายเราว่างนันบางพวกนี้ไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนถามหาไม่มีคนเหลียวแลไม่มีคนสนใจไม่มีใครมาทักนะนะก็สะดุ้งอ่ะนะไม่สบายใจและไม่สนุกเลยว่างนัน มันภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่สะดุง้งไม่หวาดเสียวไม่สยดสยองนะทำยังไงจึงจะเลิกสะดุ้งแบบนั้นได้จะเลิก เรียกว่าเลิกหมดตันหาประเภทนั้นได้ที่ว่าไม่สว่าเสียวไม่สยดสยองพิสูจนนั้นย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่สยดสยองไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งว่าเราไม่ได้สกุลไม่ได้หมู่คณะอาวาสไม่ได้ลาบยศสันเสริญสุขไม่ได้จีวรบิณทบาทเสนาสนะไม่ได้คีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บุคคลผู้พยาบาลในคราวเป็นไข้เราเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏก็เลยเรียกว่าไม่สะดุ้งนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ คือคือปกติว่างั้นเถอะไม่ได้มีสภาพจิตที่กำเริบ น, นะวิตกหรือตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราได้สกุลหมู่คณะอาวาตหรือว่าขอให้เรามีลาบยสศสรรเสริญสุกให้ได้มีจีวนเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาแบบนั้นไม่ได้เดือดร้อนเร้าร้อ น, นเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าผู้ไม่สะดุ้งเนี่ยนะไม่สะดุง้งต่อไปก็เป็กคำว่าผู้ไม่โอ้อวดอนะนะคำว่าไม่โอ้อวดเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องรู้จักคนอวดก่อนนะจึงจะรู้จากคนไม่อวดอ น, นะ ถ้าจะพูดถึงคนสวยเนี่ยก็ต้องเอาคนไม่สวยมาให้ดูซะก่อนนะนะจะรู้ว่าเออสวยมันเป็นยังไงเนี่ยนะแต่ถ้าพูดคนดีก็ต้องเอาคนเลวมาเปรียบซะก่อนเนี่ยพูดถึงคนที่ไม่โอ้อวดก็ต้องรู้จักคนโอ้อวดว่าพิสูจน์บางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อวดโอ้อวดพิสูจนนั้นย่อมอวดหรือโอ้อวดว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลบ้างนะอ้วนว่าตัวเนี่ยศีลดีเหลือเกินเนี่ยนะอวดว่าตัวเองเนี่ยถึงพร้อมด้วยวัดคือทุดดงขวัดเป็นต้นเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยศีลและวัด นะนะหรืออวดว่าตัวเองเนี่ยบวชมาจากชาติตระกูลสูงนะถึงพร้อมด้วยโคดคือนามสกุลเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยบุตรแห่งสกุลถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้รูปงามถึงพร้อมด้วยทรัพย์ถึงพร้อมด้วยการปกครองถึงพร้อมด้วยหน้าที่การงานถึงพร้อมด้วยหลักแหล่งศิลปะศาสตร์ถึงพร้อมด้วยวิทยาฐานะถึงพร้อมด้วยการศึกษาถึงพร้อมด้วยปฏิพานถึงพร้อมด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างนะก็อวดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นแหละ หรือว่าออกบวชมาจากสกุลสูงออกบวชมาจากสกุลใหญ่ออกบวชมาจากสกุลรวยมากมีโภคะมากออกมาบวชมาจากสกุลที่มีโภกขสมบัติยิ่งใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศกว่าพวกคฤหัตและบรรปชิตอะไรกั น, นหรือจะเป็นโออวดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้ชีวณบินธมาเสนาสนะกีฬานัปัจจัยเภสัชบริหารหรือเป็นโออวดว่าตัวเองเนี่ยจำพระสูตรจําพระวินยัยเป็นธรรมกถึกนักเทศเป็นผู้อยู่ปา่าเป็นวัดเที่ยวบินธบาทเป็นวัด นะถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือไตรจีวณเป็นวัดเที่ยวบินธบาตามลำดับตรอกเป็นวัดนะเป็นผู้ถือไม่ฉันพัดในภายหลังเป็นวัดเป็นผู้ไม่นอนเป็นวัดเป็นผู้ถือเสนาสนะที่เขาจัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเป็นวัดหรือว่าอวดตัวเป็นผู้ได้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่หรือได้อรูปฌานที่หนึ่งคืออาการสาวิญยาอากินเนวะสัญญาณสัญญาญาตนะสมาบัติเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าผู้อวดนะนะมีคุณอะไนก็เอามาอวดอะ แต่ถ้าใครเอาอวดว่าได้บรรลุมรรคผลเนี่ย น, นี่ไม่มีเพราะผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลจริงๆจะไม่อวดนี่นะอันนี้อวดตามที่มีนะมีจริงนะก็เที่ยวประกาศยกหูชูงวงโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโอ้อวดอ่าบุคคลผู้ไม่อวดก็ไม่โอ้วดอย่างนี้คือบุคคลเนี่ยเวน้นเว้นขาด ออกสลัดขาดท้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยความอวดเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่นี่เรียกว่าผู้ไม่โอ้อวดนะมีดีไม่เอาดีมาอวดเนี่ยนะเออก่งมากนะใครทําได้นะคุณธรรมของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เอาคุณธรรมเหล่านี้มาอวดอะไรเอาแล้วบางสูตรเราบอกว่าเราบรรลุแล้วเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสทําไมเขาบอกว่าตรัสเพื่อให้สัตทินรีเขาเกิดนะแต่คนที่อวดส่วนใหญ่มันก็จะยกตนข่มผู้อื่นใช่ไหม ที่อวดๆกันเน่ยนะถ้าบอกว่าถ้าฉันได้สมมุติว่าฉันมีศีล น, นะก็เท่ากับบอกแกนะ่ะไม่มีศีแลแปลว่าอวดตัวเองก็ข่มผู้อื่นในตัวเหมือนกันนะนะแปลว่ายกตนข่มผู้อื่นเนี่ยจะลักษณะนั้นนะั่นแหละทัานพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้มีโอ้อวดแบบนั้นส่วนพระอรหันต์เนี่ยผู้ไม่มีความรําคาญนะท่านพระอรหันต์นี่ไม่รําคาญไม่มีกุกุจ่ะนะหรือไม่วิปิสาสนะแต่ทีนี้ว่า ต้องมารู้ว่าความรําคาญนี่เป็นยังไงไอ้คาว่ารําคาญหรือกุกุจจะได้แก่ความรําคาญมือบ้างรําคาญเท้าบ้างะนะก็คือสมัยนี้เรียกอะไรราคาญมือรําคาญเท้าขันมือคันเท้าอ่ะนะลักษณะนั้นแหละรําคาญทั้งมือทั้งเท้าบ้างรําคาญมือก็นั่งแล้วสลัดมืออยู่นั่นน่ะน ะ, ะเรียกขนองนั่นแหละ ใช่คนไทยเรียกขนองมือนะขนองมือขนองเท้านะมือเท้าเขายุ่ยๆอยู่นั่นแหละความสําคัะหรือว่าบางทีรําคาญว่าสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเช่นอ่ะนะเช่นช้าเขาใส่เนื้อหมามาอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นเนื้อหมูไงนี่ยจริงๆไม่ควรแต่สําคัญว่าควรหรือว่าความสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรน่ยนะเขาใส่เนื้อหมูมาก็นึกว่าเนื้อมีอย่างเงี้ยไง ความสําคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษเช่นว่าดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยแหมเป็นอบัตอยังไงนนะหรือสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษเช่นทุศีลก็ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรนะทำบาปทำอาคุศลมูสาวาฏก็ไม่เป็นไรนะี่แหละความรําคาญกิริยาที่รําคาญความเป็นผู้รําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจเห็นปานนี้เรียกว่าความรําคาญ อีกอย่างหนึ่งความรําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดเพราะเหตุสองอย่างคือเกิดเพราะทําและเกิดเพราะไม่ทํานะคนที่เดือดร้อนใจนะเดือดร้อนด้วยเหตุ2อย่างคําว่าความรําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะทําและไม่ทําอย่างไรคือความรําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยทำแต่ความชั่วทางกายไม่ได้ทําความดีทางกายทําแต่กายยั่ทูจริตไม่ได้ทํากายสุดจริตทําแต่วจีทูจริต ไม่ได้ทำว่าจีสุจริตทำแต่มนโนทูจริตไม่ได้ทำมนโนสุจริตทำแต่ปานาติบาตไม่ได้ทำความงดเว้นจากปานาติบาตนะถือเอาถือเอาแต่อธินนาทานไม่ได้ทำเจตนาเครื่องเว้นจากอธินนาทานทำแต่กาเมสุมิฉาจารไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารทำแต่มูสาวาตเราไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากมูสาวาต เราทำแต่ป า, าปิสุนาวาจาเราไม่ได้ทำเจตนาเครื่องงดเว้นจากปิสุนาวาจาเราทำแต่พุทสวาจาไม่ได้ทาเจตนาเครื่องงดเว้นจากพุทสวาจาเราทำแต่สัมผัสปลาปะไม่ได้ทำเครื่องงดเว้นจากสัมผัสปลาปะเราทำแต่อภิชาไม่ได้ทำอนาภิชาเราทำแต่พยาบาทไม่ได้ทำอัพยาบาทเราทำแต่มิจฉาทิฐิเราไม่ได้ทำสัมมาทิฏฐิเรา <Rail foreign language> <Sicherheit> ความรําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้น <mas uk> เพราะทําและเพราะไม่ทําอย่างนี้แหลกลุ <mas> ้ม <uk> ใจเพราะทําความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะกลุ <mas> ้ม <uk> ใจเพราะไม่ได้ทําความดีทางกายวาจาและใจกลุ <mas> ้ม <uk> ใจเพราะทําปาณาติบาต ท, ทำนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมกลุ <mas> ้ม <uk> ใจเพราะไม่ได้ทําการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมหรือบางทีก็กลุ้มใจเพราะว่า พูดโกหกกันนะพูดโกหกพูดให้เขาแตกแยกกันพูดคาหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วก็กลุ้มใจเพราะว่าไม่ได้พูดความจริงอ่ะนะเพราะไม่ได้พูดความจริงเพราะไม่ได้พูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเพราะไม่ได้พูดด้วยเมตตาหรือเพราะพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะบางทีก็เสียใจเดือดร้อนใจเพราะว่าทําอภิชาเนี่ยนะคือเพ่งเลงอ่ะนะมุ่งจะเอาแต่ของคนอื่นพยาบาทหรือเป็นมิจฉาทิฐิ เสียใจยเพราะว่าไม่ได้จะทำสัมมาทิฏฐิไม่ได้ทำอนาพิชาอัพยาบาทอีกอย่างหนึ่งความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ไม่กระทำะไม่ทําความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเราเนี่ยเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเราเนี่ยเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะเราเนี่ยเป็นผู้ไม่มันประกอบในความเพียนเป็นเครื่องเตือนอยู่ เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเราไม่ได้เจริญสติปทานสเราไม่ได้เจริญสัมมาปทานสเราไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่เราไม่ได้เจริญอินทรี่ห้าเราไม่ได้เจริญพลาห้าเราไม่ได้เจริญโพชฌงเจ็ดเราไม่ได้เจริญอริยมรตมีองแปดเนี่ยนะเราไม่ได้กําหนดรู้ทุกเราไม่ได้ละสมุทัยเราไม่ได้เจริญมรตเราไม่ได้ทํานิโรธให้แจ้งอันนี้แหละเรีกว่าความรําคาญเดือดร้อนใจอนะ กูจะเดือดร้อนใจว่าเราเนี่ยทำแต่ชั่วไม่ได้ทําดีเราทําแต่อคุศลกรรมบทไม่ได้รักษากุศลกรรมบทเราไม่ได้เจริญตรายสิกขานะเราเนี่ยทำไม่ได้อบรมตรายสิกขาเราไม่ได้เจริญโพธิปัจขยธรรมเราไม่ได้ทํากิจในอริยสัจไม่ได้ทําปริญญาในทุกไม่ได้ละปหานะสมุทัยไม่ได้ทําให้แจ้งนิโรธไม่ได้เจริญมรรคอย่างเงี้ยนะก็เลยรําคาญความรําคาญนี้อันบุคคลใดอ่ะละขาด ละขาดนี่หมายถึงว่าเจริญอรหัตตมรรคเรียบร้อยแล้วนะท่านจึงละได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ได้ทําสักอย่างแล้วก็นั่งไม่สบายใจเนี่ยนะสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งเฉยๆเฉยอย่างนั้นดีไหมมักมีองแปดหรือเปล่านั่งเฉยๆเนี่ยนะซึมๆเ ซ, ซอๆเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่มักมีองแปดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าความรําคาญเนี่ยละได้ด้วยอรหัตตมรรคนะ ว่าอันบุคคลใดละขาดสงบประงับทาให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟบุคคลนั้นเรียกว่าไม่มีความรำคาญนะสรุปว่าผู้ไม่อ้วดไม่อวดด้วยว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วก็ไม่มีความรำคาญต่อไปก็คือเป็นผู้พูดด้วยปัญญาปัญญาเรียกว่ามันตาปัญญาความรู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นทําความเห็นชอบบุคคลกำหนดกล่าววาวาจาด้วยปัญญา นะคือคือพูดด้วยอํานาจของปัญญานะมีปัญญาเป็นเป็นเหตุให้พูดอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีทุกคําที่พระองค์ตรัสเนี่ยมีปัญญาเป็นสมุทฐานทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กล่าวมากพูดมากสแสดงมากถแถลงไว้มากก็ไม่กล่าววาจาที่กล่าวชั่วพูดชั่วเจรจาชั่วปราศัยชั่วบอกเล่าชั่วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผูพ้พูดด้วยปัญญานีนะไม่พูดชั่วแม้แต่หน่อยเดียวนะถามว่า พูดด้วยปัญญาเนี่ยนะเป็นคําพูดลักษณะไหนก็คือคําพูดที่ผู้พูดเองก็พ้นจากทุกขผู้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามก็พ้นจากทุกนั่นะแหละเรียกว่าพูดด้วยปัญญาส่วนไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องมารู้จักว่าผู้ฟุ้งซ่านก่อนวนะ่าผู้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือไม่สงบนะนะไม่สงบจิตความที่จิตกวัดแกงความที่จิตหมุนไปผิดนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั้นคืออุทจฉาเนี่ยนะอันบุคคลใดละขาดสงบประงับ ทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เผาเสร็จแล้วด้วยไฟคื อ, อยานบุคคล น, นั้นเรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นพูดด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านบุคคล น, นั้นแล่สำรวมวาจาเป็นมุนีสำรวมคำพูดเนี่นะเป็ น, เ ป, นเป็นมุนีว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละมูสาวาตเว้นขาดจากมูสาวาตพูดคำจริงดํารงคำสัตว์คือคือพูดเมื่อไหร่ก็พูดแต่ความจริงอะนะ